ธรรมจบชีวิตทุกๆชีวิตที่ดำลงชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ประกอบด้วยธาดน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลม ทาตรู้าตว่างเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมปายนามธรรมมีธาตุรู้ธาตุว่างก็จึงมีโลกของโลกุตละถ้ามีธาตุหลงก็มีธาตุไม่ว่าง ก็เป็นภพชาติเป็นโลกิยะธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลมก็ต้องอาศัยปัจจัยสี่เหมือนร่างกายมนุษย์ร่างกายของเราใช้ปัจจัยสี่เครื่อ ง, งหม่มหนาวห่มผ้า ที่ย่อสยฝนตกกระลบก็ไปตายใจคาอาหารหิวกองดินมาเติมดินน้าเติมน้าลมเติมลมไฟเติมไฟยารักษาโรคอาหารก็เป็นยาตาอาหาร เหมาะสมมันก็เป็นการสังหารเป็นยาพิษค น, นนั้นก็กลายเป็นโทษมหาร <Yeah. S 1> ก็อาศัยคนอื่นช่วยเหลืออาศัยเงินอาศัยทองอาศัยการงานเป็นตัวแปลตามเหตุตามปัจจัย แต่ไม่มีความสุขมีสุขภาพของกายที่ภัยลดลงโรคภัยอุบัติภั ย, ภ ย, ภยวินาศภัยหรือว่าอื่นๆแต่ว่าจิตของเราธาตุรู้ธาตุาว่างมนุษย์นี่เป็นสัตว์ประเสริที่ต้องฝึก เราก็รู้เพื่อที่จะพนจากไปวัตฏฏสงสารเนื้อเกิดเนื้อแก่เนื้อเจ็บเนื้อตายถ้ารู้นี่เป็นวิญญาณทธาตาโอ้โหยจมูกเรนกายใจ ติดใจของเราก็ใช้วิธีคิดนะสมองในคิดเก่งอาหารของสมองก็เกิดจากการรับรู้เรียนรู้ระบบความคิดพิจารณานะมีฐานของข้อมูลซึ่งก็ต้องแ ย, ยกใาย ต้องคิดได้ตรงตรงประเด็นแต่การจะคิดปล่อยคิดวางนี่บางทีทั้งชีวิตมันคิดแล้วก็ไม่สามารถปล่อยวางได้ในท้ายสุดก็ต้องกลับมารู้สึกตัวภาวนาจิตตภาวนาเจริญสติภาวนาเจริญสมาธิภาวนาเจริญปัญญาภาวนา มีตัวอย่างมากหลายคนปัจจัยสี่พร้อมตายสุดเวลาใกล้ตายจิตมันไม่พร้อมไม่มีธาตรู้ธาตว่างมีท่าตหลงอย่างเช่นคนนุณนายต้อยมาอยู่วัดคนนุณนายพิมพินันเมียของผู้พัน ท้าย ส, สุดเวลาใกล้าตายก็หลง mm hmm. คุณอยู่มาอยู่วัด mm hmm. ก็มีทรัพย์เป็นคนที่มีทรัพย์ mm hmm. เวลาใกล้าตายก็หลง mm hmm. แต่ว่าท้ายสุด mm hmm. ท้ายสุดก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรอาศัยพระพยายามให้ จิตเป็นบุญยกขึ้นมากลัวตายมันจะตายยังไงเชา้ชาๆอย่างนี้ก็มียาติโทรศัพท์ไปบอกไปเรียกก็มาดูก็กลัวตายบอกให้รู้สึกตัวให้รู้สึกตัวให้รู้สึกตัวให้เาอรู้วมันมีให้มันพอใช้พึ่งได้พอใช้ทัว เป็นเรียกหลวงพ่อคําเขียนมาด้วยหลวงพ่อมาให้กําลังใจในฐานางคาริยาณมิตรนให้มันรู้สึกตัวให้มันมีให้มันพอใช้ให้มันพึ่งได้ให้มันพอใช้ท้ายสุดก็ไม่หลงมากมีความรู้นะรู้ตัวอบอุ่นขึ้นมาพร้อม เวลาใกล้หมดลมหายใจไม่ทุลนทุนลายหรือว่าพระอาจารย์อยู่รวมหนึ่งในวัดนี้สิบ ป, ปีก็มีพระตายให้ดูอยู่รวมคือว่าอาจารย์วัลเทมฝึกสติเป็นครูบาอาจารย์เวลาใกล้ตายก็งามงดงาม มีความอ่อนน้อมมีความเย็นสดชื่นไม่วิตกกังวลตอนตายก็ยิ้มด้วยยิ้มน้อยๆแบบมีความสุขมันก็เลยเป็นแบบจะเลือกแบบไหน ชีวิตของเราจะตายแบบไหนจะดำรงชีวิตอยู่แบบไหนหาเงินหาทองแบบคนโลภมากเป็นโลภจริตหรือว่าจะรู้สึกตัวมากเป็นพุทธจริตเรัก็เลยนี่แหละเลือกที่จะเดินทางไปสู่ความเป็นพุทธจริต หรือาใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทตื่นเช้ามามเราก็มีสติเดินมาเรามีสติรู้สึกตัวรู้สึกตัวจิตเป็นปกติตามวัดสวดมนต์เราเลือกทางเดินแบบนี้ถาดรู้รู้จักใช้ชีวิตนั่งเดินยืนนอนกิจวัตรประจำวันชุมชน พอไปสู่ตายสุดร่างกายแตกดับสู่ความตายมัจจุมานก็คอยอยู่เราก็รู้แล้วล่วนะแต่ว่ามันก็มีสิ่งเย่อยุเย่อยวนจริงๆก็ไม่ใช่เย่อะยุเย่อยวน แต่ว่าเราเคยหลงเข้ามามันเคยคุ้นจินหลงไปทางตาทางหูจมูกลิ้นหรือว่ากายแล้วก็สมองคิดเก่งมันก็อดที่จะเผลอไปสนใจก็เป็นเรื่องธรรมดา เรากลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวในฐานที่เราเคยฝึกฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมโดยเฉพาะฐานกายเราก็ชํานาญพอกายเรามีอยู่ธาตุสีธาตุน้ําธาตุไฟธาตุดินธาตุลมเป็นพลังของชีวิตมีการเคลื่อนไหวการใส่จิตใจที่มีธาตุรู้กับธาตุหลงนี่แหละแต่ธาตุหลงแล้วกลับมารู้มันก็ เจริญเติบโตดีวันดีคืนชื่นใจที่เห็นมันหลงชื่นใจ้ะไรกลับมาเป็นปกติไม่หลงโลภหลงกดหลงหลงหลงรักหลงจังหลงวิชาลิสยาลืมเนื้อลืมตัว เป็นภพเป็นชาติรามรณะเป็นวัตตะสงสารวนไปก็วนมาพอ ร, รู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวที่เคยหมกมุ่นก็ไม่หมกมุ่นที่เคยย้ำคิดย้ำทำมันก็ไม่ย้ำคิดย้ำทำที่เคยวกวนเหมือนภายเลือในะอ่างก็มไม่วอกวนครั้งเดียวครั้งเดียวไปเลยนะเกิดครั้งเดียวผ่านไปเลย รู้สึกว่าโกรธครั้งเดียวก็ผ่านไปเลยให้อภัยเกิดเมตตากรุณาเกิดการปล่อยการวางทันทีกระทบแล้วไม่กระเทือนถึงกระเทือนก็แป๊บเดียวหายไปลืมไปเลยเป็นชีวิตเกิดใหม่ตลอดเหมือนกับไม่เคยมีอะไรมาเลยนอนหลับแล้วตื่นเหมือนกับเมื่อวานก็นึกไม่ออกมันคืออะไร เหมือนวันนี้คือวันนี้เดี๋ยวนี้คือเดี๋ยวนี้ขณะนี้คือขณะ น, นี้วินาทีนี้คือวินาทีนี้มันบอกแบบนั้นทารุธทาว่างขณะต่อขณะมันก็เลยเป็นหน้าที่เป็นงานเป็นการกายวาจาใจมีไว้ใช้หยิบมาใช้ ก่อประโยชน์เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านทานรู้วิชาทารู้กับวิชาคู่กันถ้ารวมก็เกิดความรู้ขึ้นมาเป็นวิชาทารหลงก็เป็นอวิชาเวลามันรู้ขึ้นมามันก็เกิดจัตธาในตัวชีวิตทั้งหมด สัจจ า, าสิ่งสัพสัตสรสิ่งต้นไม้ใบยญาโลกทั้งใบนั่นแหละเกิดศรัทธาในความรู้สึกตัวตุกางที่รู้สึกมันก็ไม่ได้ทุกอะไรจิดปลาโมดรุนเริงตื่นขึ้นมารู้สึกสบายรู้สึกสะดวก ปลาหมดมีพิติอิ่ม อ, อกอิ่มใจอิ่มมัน อ, อกมันใจมีความมันคงไม่โลเลเหมือนไม้หลักปักกิ่นไม่โยกแยกเสเพอต้นสเสมอปลายมีความสงบกายสงบใจสงบเบากายเบาใจ ติดตาเลวตากาเลวตาเบาแต่ไม่หูเบาไม่เชื่ออะไรไง่ายง่ายแต่ว่ารู้อยู่แต่ไม่เป็นไรเกิดความสุขมีความสุขเห็นอะไรมันก็สุขมันไม่ใช่สุขเผาสุขจีด้วยละ มันเป็นสุขจากดันในเหมือนกับหลักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเวลาทาอะไรนานๆสักสี่สิบนาทีจดจอ่อสารเอนโดฟินมันหลังไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์สี่สิบนาทนะีมันก็มีความสุขสารอเอนโดฟินมันก็หลังนนะาการสวดมนต์ก็เราก็เรามาหาความสุขนั่นแหละเหมือนกับคนก็ไปร้องคาราโอเกะไปร้องเพลง ตอนนี้พังกลับบ้านเน่หลายคนมาเปิดก็ลความตายไปแล้วแต่ก็ลอมปลอดภยอยัยชีวิตอย่างนี้ออกกําลังกาย 40, 40นาทีขเ้เหมือนกับออกกําลังกายเหมือนกันนะเดินมาทําวัดเราตื่นตั้งแต่เช้ายกแข้งยกขาบิดไปบิดมาแข่งไม้แข่งแขนมันก็เป็นการออกกําลังกายตัเช้า เขาบสารเอ็นโดพินมันจะหลังมันก็จริงนะสารเคมีในตัวนั่งสมาธิอย่างเงี้ยหนึ่งหนึ่งจิตตั้งมั่นสี่สิบนาทีเกิดความสุขขึ้นมาแต่ว่าเราไม่ติดสุขนแต่ว่าความสุขเป็นส่วนประกอบกับชีวิตแต่ว่าเราไม่ติดสุขเราดูเราเห็นมีความรู้เนะื้อรู้ตัว เกิดเบื่อนายในการใช้ชีวิตดำรงแบบโลกโลกหน่มันเบื่อสุขแบบโลกโลกสุขแบบตรงแย่งต้องริงมือใครยาวสาวได้สาวเอาวัตถุกรรมกุลต่างๆจากทางการมีการปลุกเร้ากระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างสรรชีวิตให้กับสังคมระบบการปกครองให้คนมีความสุขมาหากรรมต่า ง, างๆยิ่งใหญ่เรงเชนตอนนี้ทางเชียงใหม่ก็อยู่ในช่วงของพืชสวนโลกมันก็เป็นเรื่องของการกระตุ้นให้คนใช้ชีวิตให้มีความสุขเริ่มคิดเรื่อง ฝากท้องความเป็นอยู่สังคมการปกครองต่างๆก็ได้เหมือนกันเราก็เบื่อเห็นอย่างนี้เราก็งั้นๆเหมือนกันรูปรถแจงสีกินเสียงต่างๆมันก็เหมือนกันดูหนังฟังเพลงมันก็เหมือนกันนั่นแหละ มันไม่ใชนะ่ความสุขอย่างที่เราสัมผัสเป็นความสุขที่เกิดจากจิติมเป็นปกตินะจิตใจดิมเป็นปกตนะิมันสุขยิ่งกว่านั้นนะสุขหนากามอันนี้แห ล, ละก็เรียกว่าโลกุตะนะจะมีมากหรือมีน้อยขึ้นอยู่กับนะสติปัญญาตาในคนะมชัดว่องไว จนเห็นรา ย, รายละเอียดของชีวิตที่กลับมาดูที่ตัวเรานะเกิดวิราคาขึ้นมาคือไม่ให้ราคานะทางตาจมูกลิ้นรูปรสกลิก่นเสียงต่างๆอารมณ์ทำอารมณ์ต่างๆมันก็นไหลไปสวีมุิถูกล้งเพาุปัจจนะัยในโลกมันเต็มไปด้วยนะความสุขความทุกข์ ว่าตั ก, การมากุณแต่ว่าการเดินทางที่มันยิ่ ง, งขึ้นไปมันก็เห็นรายละเอียดเรียดลงเรียนลงเรียนล ง, ลงความเป็นโุติหรือว่าสติที่มันว่องไวก็ไวขึ้นเต็มรอบมากขึ้นที่ยิบหลง ป, ป, ลปั๊บรูปุ๊บ ลงไปทางตารู้ทันทีเป็นสักตะว่าสักตะว่เห็นสักตะว่าเห็นทันทีได้ยินสักตะว่าได้ยินทันทีกลิ่นสักตะกลิ่นทันทีรสสักตะรสทันทีจิตจะคืนสู่ธรรมชาติเดิมแท้ได้คณะหนึ่งคณะหนึ่งขณะหนึ่งเกิดความต่อเนื่องเชื่อมโยงจนเด่นเป็นแสงสว่างปัญญาขึ้นมาสว่างแจ้งโลก เป็นเรื่องหน้าฝึกหน้าหัดมากๆนะแล้วก็ใช้ธาตุสนะี่กันห้าหรือว่าธาตนะุหกหมายถึงว่า้ารู้ก็บธาตุว่างเป็นนมามธรรมเรื่องของจิตตรงๆเรื่องของอารมณ์ตรงๆเรื่องของธรรมอารมณ์ตรงๆรู้ตรงๆเห็นตรงๆปล่อยตรงๆวางตรงๆ ว, งรว่างธารู้ธาตุว่าง มันมีจริงๆในพระอุปารู้ตื่นเบิกบานความรู้สึกตัวนี่แหละนะการเคลื่อนกายเคลื่อนไหวใจรู้นั่งเดินยืนนอนย <Yeah. S 1> ีบทใหญ่ยีบทย่อย <Yeah. S 1> ในรูปแบบนอกรูปแบบในสถานที่นอกสถานที่ <Yeah. S 1> เกิดความเป็นเองํำนาน คิดนึกปรุงแต่งต่างๆการเคลื่อนไหวของธรรมชาติต่างๆภายในอารมณ์ต่างๆธรรมอารมณ์ต่างๆจิมปรากฏตะละกณ ะ, ะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาให้ระ ล, ลึกรู้มีปัญญาปล่อยวางเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็ น, นคือสภาวะของผู้ดู มันก็จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่เหลือวิสัยที่จะทำได้ต่าวว่าองค์สมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ชี้ช่องเอาไว้อัญญาคนอัญญาก็รู้ตามได้หลังจากทำใจตามทำมาจาักกับป่าว่าสุด ไม่กี่นาทีตามที่เราเคยสวดกันบ่อยๆธรรมจักสามสิบนาทีอัญญาคนอัญญาสามารถที่จะรู้ทมทันควันหรือว่าคนที่รู้เร็วที่สุดในโลก เ, เช่นไพรยะพารุจิริยะ พูสั้นๆพายยะเธอจองสำเนียกว่าเห็นสักว่าเห็นได้ยินสักว่าได้ยินกลิ่นสักว่ากลิ่นรสสักว่ารสจะไม่มีเธอในโลกนี้และโลกหน้าก็เลยเป็นเ อ, อากะกะทะตัดจะรู้เร็วที่สุดเป็นพารหันดันกวัน ตะวกี่ส0คน<ง>เธอจะหาผู้หญิงคนนั้นหรือจะหาตัวเองดีงก็สะดุดกึกไทยจะกลายเป็นเหล่าพระรหันต์ลรัสไว<ง>้ตั้งแต่วนะันเพ็ญเดือน8ปวันเพ็ญเดือน6ตรัสรู้<ง>เดือน8ออกสอนธรรมะแบบดิเรกเซลขายตรงเดินจาก พุทธกยาไปป่าอิสิปัตนามรคทยวันเมืองพารณนสีจนวันเป็นเดือนสามคนสามารถบรรลุตัสรูเหมือนพระองค์บรรลุนุตตะสัมมาสัมพุทธญาณเหมือนกันละเป็นพรรหันเหล่าพราหันก็มารวมตัวกันหนึ่งสองร้ยห้าสิบคนโดยไม่ได้นัดหมาย อาสละหะมาคะบูชาที่วัดของพระเจ้าพิมพิสารเบรุวัน1250้า12คนในเวลาเจดเดือนก็แสดงว่ามันเป็นจริงได้นะศาสนาก็เหมือนกับคาสอนนะที่หลวงปู่เทียนเจียโปหรือว่าหลวงพ่ออมเขียนสวนรนท่าน ได้พูดเอาไว้ฝากเอาไว้เป็นร่องรอยมันก็ยังเป็นจริงนะความรู้สึกตัวมันรวมแล้วนะนเป็นสติเป็นสมาธิมันเป็นศีลมันเป็นปัญญาต่างๆถ้าจะเรียงก็คือสติศีล ส, สมาธิปัญญาแบบปรมาฐานสภาวะสติเกิดศีลก็เกิดเป็นบาดฐานของ ก, กันและกันศีลเกิด เป็นบาตรฐานของสมาธิสมาธิเป็นบาดฐานของปัญญาแต่โดยทั่วไปแบบสมมุติก็เรียกว่าต้องมีศีลก่อนต้องรักษาศีล5ศีล8ศีล10ก่อนต้องเป็นศีล227ก่อน310ก่อนก็ต้องมีศีล น, นําก่อนอันนั้นแบบสมมุติบัญญตัติแล้วจึงมาเจริญสติฝึกสติแล้วค่อยมีสมาธิมีปัญญา จริงๆมันมีสติก่อนพอมีสติมันก็ไม่ได้คิดไล่พูดไล่ทำไล่อะไรนะคื อ, ร, อรู้อยู่นะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ขณะทีนะ่มันรู้สึกตัวจิตก็ปกติมันเด่นขึ้นมาทันทีรู้สึกทุกลั้งนั่นแหละถ้าวางใจถูกจิตก็ปกตนะิหรือถ้าไม่ปกติก็เป็นสมถาก็ไม่ทุกขนะ์พอมีสมถาถะมากๆจิตมัน สงบมันก็จะยกจิตขึ้นสู่วิปัสนาภูมิขึ้นมาพอไทส่วนไม่เกิดปัญญามันก็แสวงหาความหลุดพ้นมันก็ดิ้นหลุดขึ้นมาเห็นสมถะอีกทีถึงเกิดวิปัสนาวิปัสสนาก็เห็นสมถะอีกทีนึงมันก็จึงเรียงว่ามีสติก่อนแล้วก็ค่อยมีศีลจิตปกติขึ้นมาขึ้นสู่สภาวะปกติของจิตวิธีการหลวงปู่เทียน ที่เหลือมันจะไปไหนไม่เป็นไรหรอกเพราะตุกคลังมันก็ไม่ตูกอยู่แล้วตุ๊กขณะที่รู้สึกตัวนะไม่ว่าจะใช้ชีวิตนะตรงจุดไหนเวลาไหนอะไรบทใดมันก็จะเป็นจิตปกติอยู่นะเผลอหลงไปก็รู้ทันทีนะตรงนี้จึงเป็นสันติสุขนะสันติสุขของชีวิตของเราที่ได้ทํากรรมฐานเป็นอาชีพเป็นมืออาชีพอยู่วัดอยู่วายแล้วก็ ได้เป็นกระยาดมิรกันทำสิ่งเดียวกันอาศัยสิ่งแวดล้อมที่หาได้ยากในโลกใบนี้วัดป่าสุกโตแล้วก็เกื้อกูลกันสงเคราะหกันอนุเคราะห์กันเอื้อเฟื่อกันส่งเสริมกันเพื่อทำสิ่งนี้ให้ปรากฏก่อนที่เราจะตายจากกันเพราะนั้นเราก็จึงเป็นครูของกันและกันอย่างนี้แล้วนะ และว่าสมควรที่เวลาการาบ พ, พร้อมกัน